วันอาทิตย์ที่29กันยายนพศสองพรอบเป็นการรรยายพระ ส, สูตรในสังยุตติกายเครื่องปฏิจจสมบบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t าสูตรที่ 6.2 สคือวัคที่6สูตรที่สองซึ่งมีชื่อว่าอุปปาทานสูตรสูตรนี้แจกเมื่อคราวที่แล้วเข้าใจว่าวันนี้จะแจกสูตรที่ 6.3 ด้วยหรือเปล่า แล้วก็หกจุดสี่ด้วยเป็นพระสูตรสามสูตรที่มีเนื้อความหลักคล้ายกันต่างกันแต่อุปมาเปรียบเทียบแล้วก็ลำดับการดำเนินความบางส่วนเท่านั้นจะอธิบายไปที่ในคราวเดียวกันสำหรับสูตรแรกมีชื่อว่าอุปาทานสูตรนั้นก็แปล ว, ว่าเรื่องอุปาทานว่าด้วยเรื่องปัจจัยของอุปาทาน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเจตวันอารามของท่านนาตาบินทิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีหนะ้าที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูุเห็นความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตัณหาย่อมเจริญเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชาราและมรณะโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาติความเกิดแห่งกองทุกทั้มนมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อาจากเนื้อความบทเทศนาในตอนต้นนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฏิจจ์ในแบบครึ่งเดียวครึ่งเดียวจากส่วนกลางลงมาสู่ส่วนปลาย ที่เรียกว่ามัชชะอนุโลมเทศนาคือแสดงตั้งแต่องค์กลางไ้มาโดยลำดับจนถึงองค์ปลายเรียกว่ามัชชะอนุโลมเทศนาจับจุดตรงที่ตัญหาปัจใจให้เกิดตันหาจุดตัวนี้เป็นข้อความไม่เต็มบรรทัดก็จริงแต่ว่ามีเนื้อความที่เรียกได้ว่าอาจจะ เข้าใจได้ยากแต่เมื่ออธิบายแล้วก็เป็นของง่ายอยู่ดีก่อนที่ผมจะอธิบายเนี่ยนะครับผมจะขออ่านให้จบแล้วก็จะอ่านเนื้อความของสูตรที่เหลือด้วยเพื่อที่จะอธิบายในหลักร่วมกันไปให้จบโดยไม่กินเวลามากนักแล้วผู้มีพระภาได้ตรัสผูประมาเปรียบเทียบต่อไปว่ากองไฟใหญ่แห่งไม้สิบเล่มเปลียนบ้างยี่สิบเล่มเปลี่ยนบ้างสามสิบเล่มเปลี่ยนบ้าง ส0ิเล่มเปลี่ยนบ้างพึงลุกโลงบุรุษใส่หญ้าแห้งใส่โคไม่แห้งและใส่ไม้แห้งในกองไฟนั้นทุกๆุกขณะก็เมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้นมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นพึงลุกโลงตลอดกาลนานแม่ฉันใด พิกษุนทั้งหลายเมื่อพิกษุเห็นความพอใจหนึ่งๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตันหาย่อมเจริญชั้นนั้นเหมือนกันเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานความทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้อันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบเราจะเห็นว่าตรงนี้พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าการสังสมกิเลส ข, ของเราเนี่ยเราก็ได้ทําหนึ่งๆ นะฮะนี่เป็นจุดใหญ่ของสูงที่จะพูดวันนี้และเหมือนกับเราได้สมไฟด้วยการใส่เชื้อคือไม้แห้งเป็นต้นเนี่ยครับทุกๆระยะไฟนั้นก็จะลุกไม่มีหยุดไม่มีหย่อนตลอดกาลนานนี่เป็นข้อที่ทรงแสดงโดยสมุทัยวาระหมายถึงสายเกิดทุกโดยเปรียบเทียบอย่างนี้ ในลำดับต่อไปทรงแสดงสายนิโรธว่าละคือสายดับ<ะ>ก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นโทษหนึ่งหนึ่งในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานอยู่ตัณหา ย, ย่อมดับไปเราจะเห็นว่าสายดับนั้นเริ่มที่การที่นาหนึ่งหนึ่งซึ่งโทษนะฮะเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับจนถึงความทุกข์ทั้งมวลย่อมดับโดยประการอย่างนี้แล้วก็ทรงเปรียบเทียบว่า กองไฟใหญ่แห่งไม้สิบเล่มเกลียนบ้างเป็นต้นเนี่ยถ้าหากว่าบุรุษนั้นไม่ใส่ย่้าแห้งไม่ใส่โคล ไ, ไม่ใส่ไม้แห้งในไฟกองนั้นทุกๆุกระยะคือไม่ตามใส่เชื้อเป็นการตัดเชื้ออันนี้เป็นเรื่องวิปัสนากรรมฐานนะครับเสดจรย์อธิบายแล้วก็จะเห็นชัด ภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นอย่างนี้ไฟกองใหญ่นั้นไม่มีอาหารอาหารนี่แปลว่าเหตุนะเหตุหรือปัจจัยเหตุปัจจัยของไฟนั้นคือเชือ้อไม่มีอาหารก็ดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและเพราะไม่เติมเชื้อใหม่แม่ฉันใดภิกษุเมื่อเห็นโทษหนึ่ ง, นงในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยองปาทานตันหา ย, ย่อมดับ ฉันนั้นเหมือนกันเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับแล้วก็ ส, สูตรก็รู้สึกจะขวนอยู่แค่นี้นะความทุกข์ทั้งมวลก็ดับด้วยเติมไปหน่อยคือไปยานแล้วก็ความทุกข์ทั้งมวลย่อมดับด้วยประการอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นความผิดของคนพิมพ์หรือของคนทําตนจะบับคไม่รู้อันนี้มาดูสูตรที่แจกวันนี้ ผมจะอ่านให้จบแล้วเพื่อให้จบน้าอธิบายไปด้วยกันเพราะว่าเนื้อความกล้ายกันอธิบายขยายยืดยาวก็ได้แต่จะจะเสียเวลาเพราะยังมีสูตรรออยู่อีกหลายสูตรหนกันเราดูสูตรหกจุดสามที่ชื่อว่าปสมสังโยชน์ซึ่งจะคู่กับทุติยสังโยชน์และว่าสูตรแรกก่อนนี้อุปาทานคือเป็นชื่อของอรูปธรธรมหมวดหนึ่งสังโยชน์ก็เป็นชื่อของอุูปธรธรมอีกหมวดหนึ่ง อุปาทานมีสี่สังโยชน์มีสิบแล้วก็มีสองในซะด้วยสิในพระสูตรกับในพระวิธรรมนะแึ่ในที่นี้เราจะไม่ไปอธิบายหลักความรู้ในทางข้อที่จริงตรงนั้นแต่จะอธิบายในมุมของการปฏิบัติตามประสงค์ของสูตรนี้พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถาบิจิกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีาพระภาคไดตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นความพอใจหนึ่งๆในข้อความตัวนี้เป็นข้อความหลักที่เราจะอธิบายนะครับแต่ตอนนี้เราอ่านแล้วก็หมายตาผ่านเลยไปก่อน อ, อย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าภิกษุเห็นความพอใจหนึ่งๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์ตัณหาย่อมเจริญจะเห็นว่าเปลี่ยนจากปัจจัยของอุปาทานมาเป็นปัจจัยของสังโยชน์ และตัณหาเจริญเหมือนกันเห็นความพอใจนึงๆเป็นเบื้องต้นเหมือนกันก็เปลี่ยนหมวดธรรมแห่งอกุศลไปเท่านั้นเองแล้วก็ตรัดต่อไปว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุ ป, ปาทานจนกระทั่งถึงควา ม, มทุกทัสงวนย่อมเกิดขึ้นสำหรับสูตรนี้ทรงปรเปรียบเทียบเหมือนกับดวงประทีปน้ำมันที่ได้รับการเติมเชือ้อว่า อาประทิภน้ำมันพึงติดเพราะอาศัยน้ำมันและไส้บุรุษพึงเติมน้ำมันและใส่ไส้ในประทีภน้ำมันทุกๆระยะก็คือน้ำมันหมดเติมน้ำมันไส้หมดก็เปลี่ยนไส้เติมไส้ใหม่เปลี่ยนไส้ใหม่หมทุกๆระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ประทีภน้ำมันมีอาหารอย่างนั้นมีเชื้ออย่างนั้นพึงลุกโผลตลอดกาลละนานแม่ฉันใด พิสูจทั้งหลายเมื่อพิสูุเห็นความพอใจเนืองๆก็ฉันนั้นเหมือนกันตันหาย่อมเจริญเมื่อตันหาเจริญปฏิจจ์ก็เดินเลียงแถวไปจนกระทั่งถึงบทสรุปทุกสมมูลเกิดขึ้นด้วยประการอย่างนี้อันนี้เป็นสายสมุทัยวาระคือสายเกิดต่อไปเป็นสายดับตรัสว่าเมื่อพิสูจเห็นโทษเนืองๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ ตันหาย่อมดับเพราะตันหาดับอุปาทานจึงดับจนถึงความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่เป็นข้อธรรมต่อไปเป็นอุปมาอุปมาด้วยดวงประทีปอีกเหมือนกันที่ติดโดยอาศัยน้ํามันและไส้บารุษไม่เติมน้ํามันไม่ใส่ไส้ประทีปนั้นทุกทุกระยะเมื่อเป็นอย่างนี้ ประทีศน้ำมันนั้นไม่มีอาหารก็พึงดับไปเพราะสิ้นเชื้อเก่าและเพราะไม่เติมเชื้อใหม่แนฉันใดเนี่ยก็ฉันนั้นเหมือนกันแหละเมื่อพิจณาเห็นโทษหนึ่ ง, นงในธรรมที่เป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ตัณหาก็ยอมดับเมื่อตัณหาดับทุกทั้งมวลก็ยอมดับไปนี่เป็นสูตรที่สองและเราจะอ่านสูตรที่สามให้จบไปสักก่กอนอีกด้วย สูตรต่อไปทุติยาสังโยชน์สูตรเนี่ยประเภทของอกุศลที่เอามาวางน่ะเหมือนกันเป็นธรรมที่ทรงสแสดงคนละครั้งกันสแสดงที่เดียวกันคือที่พระเจ้วันแต่ว่าสูตรนี้ทรงตรัสยกอุประมาขึ้นก่อนครับความต่างกับสูตรเมื่อกี้ก็ตรงนี้แหะครับสูตรที่ผ่านมาคือสูตรหกจุดสามนั้นยกอุปประใหม่ขึ้นก่อนอุปประใหม่คือเนื้อความ ที่เป็นสาระธรรมแล้วก็ตามด้วยอุปมาสำหรับสูตรนี้ยกอุปมาขึ้นก่อนแล้วจึงโยงกลับไปหาอุปมาอภายหลังเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสูตรนี้กลางวันหรือกลางคืนจึงได้ทรงยกเอาดวงประทีตมาเป็นข้อเปรียบเทียบโดยมากพระพุทธเจ้าจะทรงอาศัยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเป็นข้อเปรียบเทียบนะก็ บ่อยครั้งเหมือนกันในประเด็นแรกจรึงเป็นสายเกิดครับสายเกิดสายเกิดทุกสายวัตตะเป็นวัตตะกถาตอนที่สองนั้นเป็นสายวิวัตกถาสายดับก็ยกอุปมาคือดวงประทีปก็บุรุษไม่เติมน้ํามันไม่เปลี่ยนไส้อทิปนั้นเมื่อไม่ได้เชื่อ เชื้อเก่าสิ้นไปเชื้อใหม่ไม่มีก็ดับไปในที่สุดฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพิสูจพิจารณาเห็นโทษหนึ่งๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งสังโยชน์อยู่ตันหาก็ย่อมดับเหมือนกันเมื่อตันหาดับอุปาทานดับความทุกข์ทั้งมวลก็เป็นอันดับโดยประการอย่างนี้นี่เป็นอันว่าเราอ่านจบเพื่อให้ตั้งหลัก สำคัญหมายที่จะฟังในจุดที่เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและควรที่จะเข้าใจก็คือข้อความเราเราจะจะดูสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามเป็นเป็นหลักก็ได้นะฮะจะอธิบายเอาเป็นว่าเอาอุปาทานสูตรเป็นหลักก็แล้วกัน เ, เนื้อความที่จะให้ดู ก็คือเนื้อความในบรรทัดย่อหน้าที่สองของประเด็นที่หนึ่งนะว่าเมื่อพิสูจเห็นความพอใจหนึ่งๆในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานตัณหายอมเจริญตรงนี้นะเราเคยคุ้นว่าอุปาทานเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นปัจจัย เราพูดถึงตัวนี้ก่อนจากจุดที่เราอาจจะคุ้นอยู่ในใจแล้วก็อาจจะนึกเอใจว่าทำไมในสูตรนี้จึงมาพูดเหมือนว่าตัณหามิได้เป็นอุปาทานไม่ได้เป็นปัจัยแก่อุปาทานดูให้ดีนะฮะเอาละท่านซักซ้อมความเข้าใจกันก่อนว่าอะไรเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอะไรเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน ทุกคนต้องตอบได้เพราะว่าพระสูตรที่ฉันถืออยู่ในมือสามสูตรนั้นพูดไว้ทุกที่สูตรล้วตั้งสองหนสองหนอะไรเป็นปัจจัยอุปาทานตัณหาเมื่อตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทานเนี่ยทำไมสูตรนี้จึงกล่าวว่าอุปาทานเกิดจากปัจจัยอื่นแล้วตัณหาจึงเกิดตามหลังอุปาทานแล้วอุปาทานจึงมาเป็นปัจจัยแก อ่อตันหาที่มาเป็นเก่ยวปาทานเป็นปัจจัยเกี่ยวปาทานอีกทีหนึ่งนี่มันเหมือนสับสนผมก็เลยพูดให้สับสนไปด้วยเพราะอะไรอ่านี่ตรงนี้นะผมสรุปเอาตรงนี้ก่อนว่าอุปาทานเกิดจากปัจจัยสองซิกซิกหนึ่งเกิดจาก ปัจจัยภายในคือตัณหาตัณหาของเราแหละเป็นปัจจัยแก่ปาทานของเราอันนี้เรียกว่าเป็นอุปนิสัยปัจจัยอุปนิสัยในทางผิดและอีกอย่างหนึ่งเกิดจากเกิดจากปิยรูปสาตรูปปิยรูปสาตารูปคือ อารมณ์เป็นที่รักที่ชอบใจปีรูกสาวสูปนี้คืออารมณะปัจจัยนั่นเองเนี่ยคนฟังปาตานแล้วก็จะชัดเจนมากผมเขียนแผ่นให้ดูเพื่อจะให้เห็นว่าปัญหาของเรานั้นหรือตัญหาของใครก็ตามเกิดจากปัจจัยสองด้านเราโทษะอุปาทานอันหนึ่งเกิดจากตัญหาเพราะ อุปาทานคือความโลภที่เหนียวแน่นที่สุดเรียกอุปาทานตัณหานั้นเป็นความโลภขั้นเพลาวกวา่าเรียกตัณหาความโลภที่ได้รับการสะสมได้ที่แล้วก็เป็นอุปาทานความโลภที่สะสมนั้นจึงชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนะ นี่คือเป็นอุปนิสัยปัจจัยเหมือนเราสะสมสะสมสะสมไ้เป็นอุปนิสัยความนึกคิดทุกอย่างเนี่ยเป็นอุปนิสัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างและความนึกคิดทุกอย่างเกิดขึ้นจากการสะสมสะสมทีนี้อารมณ์อุปาทานเกิดจากอารมณ์คืออารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกเนี่ยอุปาทานจะยึดเนี่ยต้องมีที่ยึด คือมีอารมณ์เป็นที่ยึดอารมณ์ใดที่ตัณหามันสร้างความเสพคุ้นเกี่ยวข้องเพราะอย่าลืมว่าไอ้ตัณหาเป็นประจัยอุปาทานเนี่ยมันไม่ได้มาแต่ตัณหาอย่างเดียวตัณหามันผูกใจอยู่กับอะไรเราก็อุปาทานในสิ่งที่ตัณหามันถูกใจอย่างที่เราเรียกว่ามีรสสนิยมมีทัศนคติต่อสิ่งอะไรด้วย น ะ, ะอย่างเช่นว่าเรามีรัะเรามีตันหาทางรถรถอย่างนี้สะสมไว้ตันหาก็มาด้วยตันหาเขาบอกว่าฉันไม่ได้มาแต่ตันหาฉันพกเอาสิ่งที่ฉันชอบมาด้วยเมื่อเธอจะยึดถือเธอก็ยึดถือเพราะฉันเป็นปัจจัยและยึดถือสิ่งที่ฉันชอบด้วยนี่สองอย่างนี้จึงเมื่อมาถึงขั้นอุปาทานแล้ว จึงได้ปัจจัยทั้งสองอย่างปัจจัยทางอารมณ์กับปัจจัยทางตัณหาถ้าไม่มีอารมณ์ตัณหาก็ไม่มีอุปาทานก็ไม่มีที่เกาะนะฮะนี่ตรงนี้เราเราวางตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องยังไม่หมดนะครับเรากลับมาดูเรื่องความตอนต้นของสูตรนี้ที่บอกว่าทำทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน ตัวนี้คืออะไรสำหรับข้อความตรงนี้ท่านหมายถึงอารมณ์คือปิยรูปสาตะลูกคือถ้าพูดในภาษาคมทีเ้าเรียกว่าเตภูมิกาธรรมเตภูมิกาธรรมก็คือนามรูปนั่นเองตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกหูเป็นที่รักที่ชอบใจในโลก ทมนี้แหละเป็นปัจจัยของอุปาทานแต่ก่อนที่ทมนี้จะเป็นที่ยึดของอุปาทานได้มันไม่ใช่พวดพราดมายึดต้องได้รับการสะสมเศษคุณมาโดยลำดับโดยลำดับนั้นคืออย่างไรก่อนที่จะดูตรงนี้ผมก็พูดไป พ, พลางๆให้นึกถึง ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปียรูปสาตาลูปอะไรเป็นปียรูปสาตาลูปตาหูจมูกกลิ่นกายใจรูเสียงกินรถโพธิัพพะสรุปรวมเรียกว่านามรูปก็ดีและนามรูปในที่นี้หมายถึงนามรูปที่เป็นเตภูมิกระทธรรมและเตภูมิกระทธรรมหมายถึงนามรูปที่อยู่ในสังสารวัตรตัวเราทั้งตัวเป็นเตภูมิกะทธรรมเป็นนะ ลูกที่ตาเราเห็นเป็นเตภูมิกะทำหมายถึงเป็นกามาวจรรูปาวจรหรืออรูปาวจรก็คือโดยสรุปคือสังสารวัตน์นั่นเองอันนี้แหละที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทานเป็นธรรมที่อุปาทานเขายึดเขายึดนี่แต่ก่อนที่อุปาทานจะมายึดนี่มันมีขั้นมีตอนขั้นตอนก็คือว่า เรายกอารมณ์ไว้อารมณ์ที่ในนี้ใช้คําว่าทําทั้งหลายเป็นปัจจัยเก่ยวประธานเนี่ยนะผมสมมติว่ผมเขียนว่าอารมณ์อารมณ์ที่เป็นวัตถะเนี่ยธรรมดาเวลาคนจะยึดถืออารมณ์อะไรเนี่ยมันไม่ใช่พรวดพลักไม่ใช่พรวดพลาดยึดจริงไม่จริง เราเราพูดถึงไอ้อย่างธรรมดาเนี่ยนะแม้แต่อาหารบางอย่างก็ไม่ใช่โปวดพลาดยึดชอบติดใจเล่าบุหรี่ก็ไม่ใช่โปวดพลาดความรักก็ไม่ใช่ปวดพลาดถึงแม้บางคนจะโปรดพลาดมันก็ดูแล้วก็มีขั้นตอนเหมือนกันไม่ใช่ปวดพลาดแต่ที่เดียวถูกมฮะเราชอบทรมากก็ไม่ใช่ปวดพลาดใช่ไม่ใช่ต้องมีขั้นตอนทั้งบุญทั้งบาป และในสูตรนี้ก็พูดทั้งบุญทั้งบาปจะถอนตน จ, จะจะจะถอนตนจากสังสารวัก็ไม่ใชรบุบบลาดเดียวกันเพราะฉะนั้นแหละอารมณ์ที่เป็นปิยรูปสารรูปเนี่ยตัวโลภะเจตโลภะเจ ต, เจตสิกโลภะจิตเนี่ยเขาทําหน้ามันเป็นมันเป็นที่ชอบใจเขาเขาพยายามจะจ้องอย่างเราเหมือนเรารักตัวอะไรเงี้ยเราก็รักในโลภารักอะไรเราก็โลภะทั้งนั้นเวลาโลภะเขาพัฒนาเนี่ยเขาจะพัฒนาเป็นสาม สามระดับสามระยะตามนัยยะสูตรนี้นะคือระยะที่หนึ่งได้แก่ <c oughs> ที่เรียกว่าอัาทะผมใช้ศัพท์ตามพระสูตรเลยระยะที่สองคือตัณหาระยะที่สามคืออุปาทานทั้งหมดนี้เป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ คือปีอรูปสาธลูปธรรมดาเนี่ยนะฮถ้าสมมติว่าเรานอนหลับไม่ตอนนั้นตัวจิตไม่คิดถึงตัวเองเรามีนามมีรูปอยู่ใช่ไหมตาเราอยู่หูเรามีรอบๆห้องเราก็มีรูปสวยๆเครื่องเสียงก็มีเสียงเพราะๆถ้าเราเอานิ้วจิ้มลงไปเมื่อไหร่ก็ได้ยินมนัน นี่เมื่ออารมณ์ปรากฏเราตื่นขึ้นและเสพอารมณ์นั้นด้วยกิเลสไม่ได้ระวังด้วยสติเหมือนอย่างในสายวิวัตตาพูดเนี่ยเราจะเห็นว่าอารมณ์ที่เราไม่คุณก็ดีหรือแม้แต่ที่เราคุณเนี่ยเวลาจิตเข้าไปเสพมันจะคอ่คอยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มระยะเหมือนเราดูภาพยนตร์เปิดแก๊กเนี่ย ด, ดูดูทีวีไนะดูไอ้ฉากแรกก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละก่อนพอว่าเออ เขาถ่ายฮะคนแสดงดีฉากดีอะไรดีแต่ว่าถ้าจะลุกไปที่ไหนตอนนี้ก็สะดวกหน่อยแต่ว่าถ้าต่อไปต่อไปแล้วจะรู้สึกว่าติดลมนานเข้านานเข้าเนี่ยปวดท้อง <c oughs> ยังไม่ยอมเข้าซ่วมเลยอ่ะก็มีเหมือนกันปล่อยหดปล่อยหายไปด้วยก็เห็นเป็นกันจริงๆอย่างนี้นี่แสดงว่าอารมณ์นั้นยืนอยู่เขาไม่ได้ดีไม่ได้เลวกว่าเดิมปว่เดิมเพือไอ้ตาหูจมูกเราเนี่ย เดืนอยู่พอเราเอาจิตของเราเข้าไปเสดอย่างผู้ค่องอยู่ในสังสารวัตรเราก็เริ่มอสสาทะก่อนคือชอบใจที่เขาแปล ว, ว่าชอบใจเนี่ยและจะเห็นว่าท่านใช้คำว่าชอบใจนึงๆ น, นี่ท่านควรจะจดบาลีไปนะครับบาลีใช้คำว่าอสสาทานุปัตสี อสสาศทานุปัสสีก็คืออั ส, สาธะอนุปัสสีจดงี้ก็ได้ครับมันจะไปกลงกันข้ามกับอนุปัสสีอีกตัวหนึ่งที่มันเหมือนกเวลาเราจเจริญส ต, ติอนุปัสสีเหมือนกันอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเดี๋ยวเราค่อยพูดในส่วนนั้นคือการที่เรามีความพอใจหนึ่ ง, งซึ่งทำที่ เป็นที่ตั้งของอุปาทานถ้าเป็นสังโยกก็อัาทะสังโยชนานุปัสสีถ้าเป็นอุปาทานก็ใช้อุปาทานไปก็เอาควาว่าการที่เราเข้าไปรับอารมณ์แล้วเกิดความพอใจบ่อยๆมันเกิดการสังสมสังสมอะไร สั่งสมหรือเพิ่มพลังโลภะให้มากขึ้นมากขึ้นเลื่อนชั้นมากขึ้นมากขึ้นและเมื่อโลภะเพิ่มพลังมากขึ้นความอุปทานกับอารมณ์นั้นก็แรงขึ้นแรงขึ้นสนิทแน่นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นลากในอยากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเหมือนดูหนังดูละครจนติดแล้วความคิดก็เลื่อน จิตใจก็มีความยุติดเลื่อนแล้วก็การที่จะพลากจากจอหนังจอละครก็เคลื่อนแม้แต่ฟังเพลงเพราะๆที่สาบซึ้งมาๆบางทีก็ยังไม่อยากขยับประเยื่นไปทำอะไรนี่เองล่ะครับที่พรุทธเจ้าตรัสว่าอารมณ์คือปีอรุษสัตรูปเนี่ยเป็นปัจจัยของอุปาทาน เป็นปัจจัยพาไปถึงอุปาทานอุปาทานเวลาเขายึดเขายึดอารมณ์นี้มันเป็นอารมณ์ของเขาถ้าเราไปยุ่งกับอารมณ์นี้แล้วไปสร้างพลังก็จะไปเป็นประโยชน์แก่เขาเป็นประโยชน์หมายถึงว่าเรากําลังพาจิตของเราให้หลวมตัวเข้าไปสู่ความยึดติดเพราะเราไปเล่นกับอารมณ์ของเขาเล่นไปเล่นมาอารมณ์ก็พาใจเราหลวมใจเราก็เลยกลายเป็น อุปาทานไปในที่สุดเพราะนั้นตรงนี้นะเป็นระยะที่หนึ่งของโลภะความพอใจหนึ่ ง, นงในอารมณ์ที่เป็นปัจจัยของอุปาทานได้เรากำลังมาเพิ่มพลังความรู้สึกกับอารมณ์ของอุปาทานและเมื่อความรู้สึกพัฒนาไปได้ทีมันก็จะกลายเป็นอุปาทานดังนั้นในสูตรนี้ดูอีกครั้งหนึ่งว่า ความพอใจเนืองๆในธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแห่งอุปาทานคําว่าในธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยเกี่อุปาทานเนี่ยหมายถึงอารมณ์นะครับไม่ได้หมายถึงตัวอุปาทานสําหรับตรงนี้นะฮะ อ, อผมอาจจะต้องต้องแยกคำสองคานี้ให้ฟังก่อนอุปาทานอุปาทานิยะ น, นิยธรรม บาลีตรงนี้ใช้คํานี้เลยท่านทําเป็นพหูพจน์ว่าอุปาทานิเยสุแปลว่าทําในธรรมทั้งหลายแต่เอาไม่ไม่ต้องไปจํำในรูปบาลีเป็นเอาว่ารูปบาลีเต็มๆเอาอุปาทานิาทำทำที่เป็นอารมณ์ อ, อุปาทานเป็นคําเรียกอารมณ์ถ้าเป็นอุปาทานเฉยๆคือตัวอุปาทานเนี่ยเรียกว่าอุปาทานอุปาทานทำคือตัวอุปาทาน แล้วก็อารมณ์ของอุปาทานทีคนละตัวกันนะครับเพื่อจะชี้ให้ชัดว่าทำทั้งหลายอันเป็นปัจจัยแข่งอุปาทานไม่ใช่ตัวอุปาทานแต่พูดถึงอารมณ์ของอุปาทานก็คือปีรูปสาตรูปหรือนามรูปหรืออายตนะสิทสองหรืออะไรก็ได้คือตัวเหล่านี้แหละปาทานคือตัวอุปาทานทำนี่คือตัวกิเลสกิเลสเรียกอุปาทาน อารมณ์ของอิเลตเรียกว่าอุปาทานนิยธรรมเป็นสองอย่างและการที่เราคิดด้วยนะว่าการที่เราจะทำให้อุปาทานเกิดเนี่ยทำให้ตัวอุปาทานเกิดอยู่ๆเราจะไปเข็นทำความรู้สึกว่าอุปาทานเกิดอุปาทานเกิดมันไม่เกิดมันจะต้องมีที่สั่งสมเราต้องเอาความพอใจเนี่ยไปเพิ่มพลัง ด้วยการจับอารมณ์ของอุปาทานที่ทำให้อุปาทานเกิดได้เนี่ยเป็นตัวบริหารโลภะให้กล้าแข็งพอกล้าแข็งแล้วก็ก็กลายเป็นเป็นปัจจัยขออุปาทานเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าเราย้อนกลับมาดูมาในแง่ของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยราหว่างสามตัวนี้ เขียนเป็นลูกศรประสูตรนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความพอใจก็พอใจในอารมณ์นี้แหละแต่แรกบ่อยๆเนืองๆได้ที่แล้วก็เลื่อนระดับความเข้มข้นเป็นตัณหาตัณหาก็พอใจในอารมณ์นี้แหละ เพิ่มระดับความเพี่อคนด้วยอารมณ์นี้แหละเลื่อนระดับตัวเองเป็นอุปาทานก็ตกลงว่าอารมณ์นั้นอารมณ์เท่าใดก็เท่านั้นอย่างใดก็อย่างนั้นแต่ที่เลื่อนระดับนั้นคือโลภะที่มันเลื่อนระดับไปโดยอาศัยอารมณ์เป็นราวส่งต่อเป็นบันไดส่งต่อกันไปตามระดับที่เมื่ อ, อ, อผมผมอ่านแล้วก็ อันนี้อธิบายแล้วแต่ว่าจะอ่านย้ำเพื่อให้ชัดเจนอีกทีได้ไม่พลาดที่ว่าเมื่อพิสูจเห็นความพอใจหนึ่งในกรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยของอุปาทานตันหาย่อมเจริญเนี่ยก็คือพูดมาหนึ่งเพราะตันหาเป็นปัจจัยคือตันหาที่เจริญแล้วก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานที่เหลือนอกนั้นผมจะไม่อธิบายต่อไปนะก็ถือเป็นเรื่องที่เคยพู ด, พดมาแล้วแต่ที่จะให้สังเกตอีกอันหนึ่งก็คือ อารมณ์ที่ทพี่ผู้เจ้าตรัสาเมื่อภิกษุเห็นความพอใจเนื่งเหนืองในอารมณ์ที่เป็นที่ทังอุปาทานเนี่ยนะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าการสั่งสมกิเลสนั้นมันเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปนะฮะเป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไป เอ้อมันเรื่องค่อยเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันเหมือนว่าหนึ่งๆบ่อยๆเล็ก ๆ, กๆน้อยๆอนุอนุเนี่ยมันเหมือนไม่น่ายมันน่าจะกีเรลตลาได้ง่ายแต่เพราะว่าเราเนี่ยเราเราพูดดูให้ดีว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องการปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยนะพฤติกรรมมันมีอยู่สองซี่สองกลุ่มถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขามองอย่างไม่สะสมความพอใจมองอย่างเห็นเป็นโทษหนึ่ง ตัณหาโลภะลดกำลังแต่ของเราเนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยนะฮะเราก็พูดกันจริงๆว่าเราสั่งสมความพอใจอยู่หนงก็จบ ก, ก็สั่งสมกินอาหารก็สั่งสมทาน้ําหอมก็สั่งสมตัดผมก็สั่งสมเวลาสั่งสมก็ไม่สั่งสม มันไม่อยากจะเทียบไม่อยากจะนึกเลยว่ามันส่วนเท่าไหร่ต่อส่วนเท่าไหร่มันเป็นอย่างนี้ธรรมดาของชาวโลกสั่งสมอย่างนี้มันจึงเป็นประโยชน์แก่ปฏิจจในสายเกิดด้วยประการอย่างนี้เองอันนี้พู ด, ด้ดยอุปาทานถ้าพูดด้วยสังโยชน์ก็แบบเดียวกันครับ สังโยชนิยธรรมก็ ท, ท่านจะใช้คำว่าสังโยต์กับสังโยชนิยะเลยมีเรื่องแสกเป็นสังโยน์กับสังโย ช, โยชะนิยสองอย่างนี้ต่างกันบังเอิญมีสูตรสูตรหนึ่ง เหมือน อ, อุปาทา น, นอุปาทานิยะถามว่าเหมือนกันหรือต่างกันผมผมยังท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าผมทาทียังไม่ตอบเพื่อจะว่าพระสูตรถึงให้ฟังว่าแม้เรานี่เรื่องขึ้นบนกองยาฟังสูตรนี้แล้ว่วาในสมัยหนึ่งพิสูจมากรูปด้วยกันมาประชุมกันที่โรงกลมคือโรงสนทนาธรรมที่ราวป่าแห่งหนึ่งนะฮะ ชือมตจิกาสนก็สมัยนั้นพิสุกลับจากบิณฑบาตฉันแล้วก็มานั่งสนทนาธรรมกันที่โรงกลมว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำเหล่านี้คือสังโยต์ก็ดีสังโยชนิยธรรมก็ดีมีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือว่ามีอัดเหมือนกันมีพยัญชนะเท่านั้นต่างกันฟังทันนะคือต่างกันที่คาพูด เท่านั้นเนื้อความอย่างเดียวกันหรือว่าต่างกันทั้งคําพูดและพยัญชนะและอัตถะความหมายบรรดาพิสุพูดเถระ้ะด้วยนะใช้คําพูดเถระเหล่านั้นพิสูพูดเถระบางพวกพยากรณ์อย่างนี้ว่าดูก่อนท่านภูมิอายุทั้งหลายธรรมเหล่านี้คือสังโยคดีสังโยชนียธรรมก็ดีมีอัตต่างกันมีพยัญชนะต่างกาันบางพวกพยากรณ์ว่าท่านภูมิอายุทั้งหลาย ทำเหล่านี้สังโยน์ก็ดีสังโยชนียะก็ดีมีอัดเหมือนกันมีวิญญาณะเหมือนกันก็เป็นตกลงกันไม่ได้ก็สมัยนั้นแลจิตตากฤหะบดีได้ไปยังบ้านสวยชื่อมิกขะปัตตะกดโดยกรณีจิตบางอย่างได้ส đả กล่าวว่าพิสูจน์มากรูดโดยกันสนทนากันด้วยเรื่องสังโยชน์กับสังโยชนียธรรม ด้วยปัญหานั้นครั้งนั้นแลจิตตากบดีเข้าไปหาภิกษุผู้เทระทั้งหลายถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณนะที่ควรส่วนทั้งหนึ่งครั้นแล้วได้ถามภิกษุผู้เทระทั้งหลายว่าถ้าแต่ท่านผู้จเจริญกระผมได้สดับข่าวว่าภิกษุผู้เทระมากรูปเป้เบิกการตนทางหาเรื่องสังโยชน์กับสังโยชนียธรรมว่าต่างกันหรือเหมือนกัน ที่สูตรหลายก็บอกว่าใช่หรือว้ว่าตกลงก็ไม่ได้ท่านจิตตาก็ได้บอกว่าถ้ากระนั้นกระผมจากอุปมาให้ฟังเพราะวิญยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมเข้าใจเนื้อความแห่งฟาสิทธ์แม้ด้วยข้ออุปมาอะตรงนี้ต้องเล่าเนเดี๋ยวจะอ่านตะพึ้นๆพนไปเดี๋ยวก็ฟังจะเบื่อ คือจิตตะเนี่ยท่านเป็นพระอนาคามีบุคคลนะฮะแล้วก็เป็นอุบาสกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นธรรมกัตถกแล้วได้ฌานด้วยได้ฌานได้สมาบัติชั้นสูงด้วยก็ไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านก็ก็เป็นที่พึ่งของพระได้เยอะสมัยนั้นเวลาพระมีปัญหาถามอะไรท่านจะช่วยได้เยอะแล้วก็พระก็มีจํานวนมากที่ชอบมาสนทนาอะไรต่อะไรกับท่านเวลาพระมีปัญหาก็ ก็มักถึงท่านแล้วก็ยอมรับท่านอุปมาเอาเดี๋ยวผมถามก่อนว่าที่ผู้พูดวันนี้ตอบได้แล้วใช่ไหมเก่งมากเก่งเก่งมากเพราะว่าเราอ่านพระสูตรมาก็มาแล้วฟังพระสูตรมาแล้วหรือเรียนพระวิชามที่เกี่ยวเรื่องนี้มาแล้วแต่สมัยก่อนไดเรื่องใหญ่การรับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ไม่ใช่เกิดงวดไม่ย่างเดือนนี้ ไม่ใชง่ายๆอย่างนี้แม้ว่าจะฟังอยู่พุทธเจ้าก็ไม่ใช่พุทธเจ้าจะมาอยู่เทศให้ฟังได้ง่ายๆทีเดียวประจําที่ทุกวันอาทิตย์มานี่ทุกวันทีน่ไม่ใช้งงินอ่ะทั้งกระจาลิกไปเรื่อยท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนโคดําตัวหนึ่งโคขาวตัวหนึ่งเขาปลูกด้วยทามหรือเชือกเส้นเดียวกันทามเข้าใจว่าคือโกรก คนที่ไม่ใช่ชาวราชนาเขฟังไม่ออกคนเป็นชาวราชนานก็มานะเกิดได้ตรงนี้แหละไปคุยให้ความต้องการกับตัวเองได้บ้างผู้ใดแลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าโคดำติดกับโคขาวโคขาวติดกับโคดำดังนี้ผู้นั้นชื่อว่ากล่าวถูกลหรือพิสูก็บอกท่านว่าตอบท่านว่าไม่ถูก คดื้อหางบดีเพราะโคดำไม่ติดกับโคขาวแลโคขาวก็ไม่ติดกับโคดำทามหรือเชือกที่ผูกโคทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องผูกคำว่าติดในภาษาไทยอาจจะกำกวมนะติดก็หมายถึงติดกันอย่างนี้เลยแต่หมายถึงเอาอย่างไอโคเทียนเนี่ยก็เอ า, เอาโกกมาคล้องสองตัวหรือเอาเชือกมาคล้องสองตัวไม่ได้ติดกันหรอครับต่างคนก็ต่างเดินนี่ว่า เดินคู่ขนานกันไปเท่านั้นท่านจิตตาก็บอกว่าข้าแต่ท่านบูเจริญทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลจักสุไม่ติดกับรูปรูปไม่ติดกับจักรสุฉันทราค่าที่เกิดเพราะอาศัยจักสุและรูปทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติดหูไม่ติดกับเสียงเสียงไม่ติดกับหูฉันทราค่าที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องติด จมูกไม่ติดกับกลิ่นกลิ่นไม่ติดกับจมูกสันธ า, าค่าเป็นเครื่องผูกจมูกกับกลิ่นนั้นแม้ลดกับลิ่นแม้ใจกับธรรมอารมณไอ้คาว่าติดตรงนี้ท่านหมายถ้าพูดถึงนามธรรมแล้วหมายถึงติดยึดนะไม่ใช่ติดเอาอกลิ่นมาชนจมูกไม่ใช่างั้นแล้วมันสลายได้อะไรได้ดับได้ แต่ถ้าติดด้วยใจเนี่ยจมูกขาดไปแล้วมือขาดไปแล้วตาบอดไปแล้วรูปผ่านตาไปแล้วใจมันยังผูกติดตรงนี้ท่านว่าตากับรูปเนี่ยเป็นสังโยชนิยะเป็นที่ติดยึดของสังโยธรรม เพราะฉะนั้นสังโยชน์ทำเป็นมือที่สามที่เข้าไปอาศัยตาเป็นที่ติดเข้าไปอาศัยรูปเป็นที่ติดเวลาลูปมาชนตาตาไม่ได้ติดลูปลูกก็ไม่ได้ติดตาใช่ไหมมันไม่รู้ไม่ชี้กันแต่ที่ผู้ที่ทำหน้าที่ติดทั้งตาและลูกโดยความยึดก็คือสังโยชน์หรืออุปาทา พอท่านอนะจิตตะกล่าวอย่างนี้พิสูจน์ทั้งหลายก็บอกกับท่านจิตตะว่าดูก่อนคขหามาดีการที่ปัญญาจักสูของท่านอย่างทราบในพระพุทธพลึกซึ้งชื่อว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วนี่ก็พระอนุโมทนาว่าที่เข้าใจพุทธพล์ได้อย่างกระเจาแจ้งอย่างนี้เป็นลาบเป็นการได้ดีของท่าน จึงก็จะเห็นว่าธรรมะอย่างอย่างนี้นะสมัยก่อนก็บางทีก็มีปัญหาเหมือนกันการศึกษาเล่าเรียนในแต่ไรนี่ก็ช่วยทำให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชัดขึ้นอย่างมากอันนี้จึงเป็นเรื่องที่เราตอบได้แล้วว่าสังโยชน์ธรรมเป็นตัวติดสังโยชนียธรรมเป็นตัวถูกติด สังโยสังโยธรรมเป็นผู้เศษสังโยชนิยะเป็นผู้ถูกเศษสังโยชนียธรรมเป็นอารมณ์สังโยสังโยธรรมเป็นตัวรู้รู้โดยอาการติดโดยอาการร้อยละนะเลยวันนี้เลยได้สี่สูตรทีเดียวได้สี่สูตรเลย มาพูดต่ออในส่วนของอุปมาพูดซะหน่อยก็แล้วกันนะอุปมาแอ่อุปม า, ปมาที่เปรียบเหมือนกลองไฟเนี่ยครับแม้ดวงประเทศตย์ก็จำลองเดียวกันว่าพบสามเหมือนกองไฟที่สัตว์ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอพึงพิจารณาพบทั้งสามเนี่ยเหมือนกับกองไฟเธอคติเหมือนกองไฟ กำเนิดเหมือนกองไฟอูตุชนผู้เหมือนผู้บํำเรอไฟบํำเรอไฟโดยเฉพาะอย่างยิ่งบํำเรออย่างในลักษณะของผู้บูชายันนึกว่าการบูชาไฟนั้นเป็นของประเสริฐเป็นของนําโชคลาภความสวัสดีมาให้ทนร้อนทนหนาวเหงือ่อแตกเผื่อแตนอยู่กับกองไฟหน้าแตกหน้าดํากล้ามเกรียดเหมือนกับอูตุชน ที่เราเนี่ยบำเรอไฟบำเรอก็คือพอใจบ่อยๆพบก็เกิดบ่อยๆเพราะอะไรเพราะตาของเราที่มันมีขึ้นมาเพราะอุปาทานอยากมีไปถึงปฏิจัยปลองจริงว่าอุปาทานเป็นใจเกิดพบเพราะเรายึดเราจึงได้จึงมีสิ่งที่เรายึดเราอยากเราติดและพระพุทธเจ้าอ่อเดี๋ยวก่อนกรรมและตัณหา เหมือนกับเชื้อไฟกรรมและตัณหาเหมือนเชื้อไฟก็คือกรรมก็หมายถึงการทำดีทำชั่วเพราะความยึดอันนั้นตัณหาก็คือความอยากความติดอันนั้นเหมือนกับเชื้อไฟแล้วก็พบต่อต่อไปนี่ท่านเปียงฟังพบต่อต่อไปที่ไม่หยุดยัง้งเหมือนกับการที่เราบําเลอไฟแล้วด้วยเชื้อแล้วแล้วเล่าเล่าบ่อยๆ อ, อยู่นั่นเอง อย่างที่เราตาเห็นลูกูได้ยินเสียงอะไรอะไรก็อยู่ทุกวันนี้ครับสร้างภพสร้างชาติโดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยท่าพุทธเจ้าไม่บอกเดี๋ยวนี้พอเราเรียนรู้เขาเราก็ยังมีความคิดอยู่บ้างถึงเวลากินานะสร้างภพกันทีพูดอย่างภาษาเรานะสร้างภพทีฟังเพลงเพราะว่าสร้างภพกันทีดมกลิ่นหอมก็สร้างภพกันทีเนี่ยเป็นพลังที่เราเก็บสะสม พอเราไม่ได้สั่งสมแต่ความติดแต่เราได้ทำพฤติกรรมอะไรลงไปด้วยด้วยการติดอันนั้นด้วยเรียกว่ากรรมกรรมและกิเลสจึงพลากจากกันไม่ได้กรรมเป็นบาปบ้างเป็นบุญบ้างเราก็ได้สติได้พบในแต่ละช่วงของกรรมที่เป็นตัวว่าเอาชาตินี้ได้ตาแบบนี้นะเพอะเธอตอนที่ติดฉันทำอะไรเพื่อฉันทำผิดตาก็ต้องเป็นตาตัดได้ไรนไป กายก็เป็นกายเดรัจฉานไปถ้าทำกุศลก็กลายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอะไรไปแต่ก็รวมกันก็เป็นสังสารวัตอยู่ภายใต้การถือครองของปาทางอยู่นั่นเองก็ไม่พ้นทุกเบื้องสูงไปได้เอาละอันนี้มาพูดถึงสายวิวัตรต์เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อภิกษุเห็นโทษหนึ่งหนึ่งเห็นโทษหนึ่งหนึ่ง คือบาลีใช้คำว่าอาทนวานุปัสสีอาทนวานุปัสสีตรงนี้นะอธิบายพิสดารได้เยอะแต่ไม่จำเป็นนะเพราะว่าเรายังเราได้เคยพูดมาเยอะและยังจะต้องพูดกันอีกเยอะคำว่าเห็นโทษตรงนี้คือเห็นอย่างไร เราก็ตอบเป็นอย่างรวมๆก่อนว่าหมายถึงการกําหนดพิจารณาโดยในยะของวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนานั้นจะเป็นอารั ธ, ธวิวิปัสสนาวิปัสสนาแรกธทมก็ดีผู้ที่จะมาทําวิปัสสนาเนี่ยต้องมีพื้นฐานมีทัศนกติต่อนามต่อรูปอย่างถูกต้องอารทิพรหมจาริสัมมาทิฏฐิถูกต้องอะไรอย่างที่เคยพูดกันมาแล้วก็มากําหนดเพื่อดูให้เห็นว่ามันเป็นอย่างที่ว่าหรือเปล่า และเมื่อทําถึงขั้นได้วิปัสนาญาณเรียกว่าได้เห็นโทษคือภาษาในพระไตรปิฎกกับภาษายานสิบหกเนี่ยอย่าไปเปรเียบกันเป็นอันขาดเด็ดขาดไปเลยครับว่าพอใช้เห็นโทษที่จะต้องเป็นอาทีนะวายานในยานสิบหกที่พระพุทธโกษาจารย์ท่านเรียบเรียงท่านหมายเอาเฉพาะบางที่เนี่ยนะหรือพะยะยานจะต้องเป็นยานหนึ่งในสิบหกหรือ คำว่านิพิทา ย, ยานจะต้องเป็นยานหนึ่งในที่หกคือยานที่แปดนะบางทีพุเจา้าทรงใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งมาเรียกแทนทั้งหมดเลยแทนวิปัสนาแล้วก็บางทีวิปัสนาเนี่ยหมายถึงยานที่ห้าบางทีนะวิปัสนาหมายยานที่ห้าอันนี้เป็นเรื่องพุฏพจน์ใช้หลากหลายก็เราก็เลยต้องให้ความว่าหมายถึงวิปัสนา อาทีนวะเนี่ยนะหมายถึงวิปัสนาราวิปัสสนานั้นทําด้วยเพื่อเห็นโทษโดยความเป็นโทษเป็นทุกโดยความเป็นทุกทีนี้เวลาเราเห็นเนี่ยเราก็เห็นบ่อยๆและจะเห็นว่าเวลาทําวิปัสนาเราจะไป ท, ทําทีเดียวพรวดก็ไม่ได้คุณกันถึง แ, แม้จะบรรลุทีเดียวเป็นปลาหลานเขาก็ต้องมีขั้นมีตอนจึงต้องจําว่าทําบ่อยๆเราสั่งสมมาด้วยอาการบ่อยๆ ทันได้ทำก็ต้องบ่อยๆเราชั่วชีวิตเราใช้เวลาจะทาวิปัสนาแค่เจ็ดปีถ้าคิดเป็นเวลารลวมๆนะีนะเราไม่ได้ทําวิปัสนาแค่กี่ปีปีหนึ่งปีหนึ่งเราให้เวลาแก่วิปัสนากี่วันความนึงนึงที่เราให้หนึงนึงแก่การเห็นโทษนามลูกกี่วันกับที่เราให้ความนึงนึงกับการใส่ทัศนคติทางความพอใจ อัยท่าเข้าไปกี่วันแล้วมันจะมาบรรลุง่ายๆได้ไ ง, ไงเราต้องคิดอย่างนี้นะมันไม่ใช่ง่ายๆมันเทียบกันไม่ได้เลยอัตราส่วนของการสร้างความหนึ่งๆเพราะฉะนั้นวิปัสนาเนี่ยจึงต้องทำอย่างเป็นอาชีพการบวชเนี่ยถึงให้ตรงนี้ไงครับโลกผู้ครองเรือนเนี่ยมันเป็นประโยชน์แก่หนึงน่งๆฝ่ายวิวฝ่ายวัต โลกของการบวชเนี่ยจึงเป็นโอกาสเป็นประโยชน์หนึ่งๆแก่สายวิวัตต์ถ้าจะทําถ้าไม่ทาก็ก็ไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นก็ได้ในระดับอื่นๆไปเออสูตรนี้ก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกนึกรับผิดชอบแต่ว่าอย่างไรก็ตามไอ้หนึง่งๆที่ผมผมก็อยากจะแบ่งให้เป็นสองระดับด้วยนะฮะว่าไอ้ระดับหนึ่งเนี่ยบางทีท่านว่า อ, อ พึงตั้งอภินหาปรปัจเวสทำความไม่ยินดีในโลกอย่างเช่นการพิจารณาอสุภะ พ, พิจารณาสักตบพิจารณาการปสัม์เนี่ยถือว่ามันสมคลอยกับอารมณ์โหพิพากนาพวกทมอย่างนี้แล้วโน้มโอนไปสู่อนิจจสัญญาได้โดยง่ายโน้มโอนไปสู่อาทีนว่าสัญญาได้โดยง่ายจริงหรือไม่จริงคนเคยทาเข้าใจเอาละ เป็นอันว่าทสูตรก็เป็นอันจบทั้งสามสูตรลงด้วยเวลาที่สมควรอย่างเท่านี้